เมื่อเกอในหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับพระน้อยหนุ่มไปไปตรวจไขมันไปตรวจเลือดไปหาเรื่องยุ่งใช่ตนเองใครกลัวตายขนาดนั้นจะมาอยู่นะเดี๋ยวจะไล่เราจะไลน่นี่ออกจากวัดทั้งหมดถ้าเราเป็นผ้าผู้เท่าผู้แก่อันนั้นอีกส่วนหนึ่งอันนี้พระน้อยพระหนุ่มไปหาเรื่อง เดี๋ยวก็ไปตรวจฟันเดี๋ยวไปหาตรวจนั่นตรวจนี่เดี๋ยวเราจะไล่ออกจากวัดถ้ามันเจ็บมันปวดอีกแนวหนึ่งเราอยู่กับครูบาอาจารย์ขนาดปวด่วยเราย่าไม่ลุตงตายอย่าไม่ออกจากวัดนะเพราะนั้นเราเคยมาแล้วออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางมากไปเลยนะกระโดดโลดเต้นศาลาก็เหมือนกันพระใหม่ พอได้เวลาออกอย่ามาคุยอยู่ที่ศาลาอย่ามาตั้งท่าตั้งหลักอยู่ที่ศาลาศาลานั้นเป็นที่มารวมกันเป็นบางครั้งคราวม่ใช่ว่าเราจะมันนั่งมั่วสุมคุยกันใครๆมาเห็นดูละอุดสูดูได้เหมือนพระนะ่ยมันอยู่ไม่มีกฎมีเกณฑ์เด่นเดนด้านด้านโ น, น่นไปหาภาวนาอยู่ในป่าท่องหนังสืออ่านหนังสือธรรมศึกษาเรามาเพื่อศึกษา เราไม่ใช่มาเพื่อมาเล่นเราจะมามาเล่นมาอยู่มาทําไมไม่มอยู่ไกลขนาดนี้เหรอมาอยู่ด้วยความยากลาบากขนาดนี้เหรอจุด่ที่อื่นมเล่นไม่ได้เหรอทําไมมาที่นี่ลงมาต้องมาปฏิบัติตั้งต่างองค์ต่า ง, ง, อ, ง, งอยู่อยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความมุ่งมั่นอยู่ด้วยความตั้งใจเรามาเพื่ออะไรได้ถามตัวเองไหมก่อนมาหรือมามาเล่น เล่นทำไมจะมาเล่นไกลถึงขนาดนี้พวกเราต่างองค์ต่างหมาต่างองค์ต่างปฏิบัตินะหลวงพ่อไม่ต้องการพระเด่นเด่นระด้าและเละระละต้องการผูมุ่งมั่นต้องการพระปฏิบัติตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาต่างองค์ต่างอยู่อยู่ในความสงบหนังสือธรร ม, มะมี เรามาเพื่อศึกษาธรรมะเราไม่ได้จะมาเพื่ออย่างอื่นหลังอย่างอื่นเราอยู่ทั้งโลกมีต่างเยอะแยะไปเรามีเวลาตั้งว่างมีตงเวลาตั้งเยอะแยะมัดนี้เรามาหาธรรมะมาอยู่ในป่าการอยู่การฉันการอะไรทุกอย่างถ้าวาเราไม่ตั้งใจไม่ภาวนาอยู่เข้าไปอยู่ไปทำไม ยูให้หนักวัดฮีว่าหนักวัดมันไม่ใช่หนักที่อื่นนะหนักเพราะความไม่ตั้งใจเพราะหนักเพราะความไม่ใส่ใจนั่นแหละคือหนักวัดมันไม่ใช่หนักที่อื่นหรอกหนักหมูหนักเพื่อนเออหนักผมที่เป็นหัวหน้าเห็นแล้วหมูเพื่อนไม่ตั้งใจแล้วจะจูดูไปทำไมมาอยู่ทำไม ถามพวกท่านด้วมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรมาอยู่ทำไมจะให้ผมได้ถามถ้าผมถามม่ใด้พวกท่านจะหนักใจผมอยากจะให้ให้พวกท่านถามพวกท่านเองแล้วพวกน้าก็เหมือนกันหน้าค้านหน้าก็พยายามนะพาพี่เลี้ยงก็ดูๆใส่ใจแนะนาสั่งสอนบอกกล่าวเพราะเข้ามาเพื่อการศึกษา เพื่อการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์เราไม่ได้ต้องการอย่างอื่นมาบวชอย่างน้อยก็ได้บุญเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับผู้ที่เข้ามาบวชมีจุดมุ่งหมายไม่ได้มาเพื่อเด่นเด่นดัานๆไม่ได้มาเพื่อเที่ยวเพื่อเทเราจะมาสนุกสนานยังไงทานอาหารมื้อเดียวอยู่ในป่า นั่งอยู่ที่ไหนมีตะมะแมลงเต็มไปหมดนะ่ะไม่ใช่ที่สนุกสนานหลอกตรงเนี้ยเป็นสถานที่บำเพ็ญ น, นั่งภาวนาแต่ละวันแต่ละเวลาอย่าให้มันสติขาดออกจากตัวเองนั่นแหละดีที่สุดผมอยากจะเห็นหมูพวกเพื่อนถึงจะมากก็ให้มากด้วยคุณภาพฮ มากด้วยศีลด้วยธรรมมากด้วยความเป็นศีนเป็นธรรมมากด้วยคุณธรรมเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจไม่ใช่มากขี้ควายหลายขี้ช้างที่ที่ผมเคยพูดมากก็หมายแล้วก็เป็นเกิดประโยชน์ขี้ควายกัขี้ช้างมันยังเกิดประโยชน์ถ้ามันมากเป็นปุ๋ย แต่มากขี้โรคขี้โกรธขี้หลงเนะี่ยที่ขี้ความชั่วทั้งหลายแหลอ่อนแอปวกเปียกใจไม่สู้นะอันนี้จูทะเลก็ยิ่งเสียหายมากเหมือนกับพระพุทธศาสนานะี่เป็นขยะของชุมชนสังคมเราไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระครรมฐานอย่างพวกเราเนะี่าต้องเป็นผู้ใส่ใจต้องเป็นผู้มุ่งมั่น ผมบอกแล้วกลางคืนนั่งภาวนาฟังเทศดวงตาวิทยุองค์เราก็มีวิทยุของเราไม่ใช่ว่าให้ไปฟังเพลงฟังลำนะถ้าว่าผมเห็นนะไปแไปเปิดฟังเพลงฟังลำถ้าผมเห็นองค์ไหนเปิดนะผมจะไล่หนีจากวัดทันทีที่นี่ไม่ใช่ที่ฟังเพลงฟังลำ เป็นที่ฟังธรรมเทศนาเอาวิทยุให้เพื่อไปฟังธรรมเทศนาถ้าว่าเราอยากจะฟังเพลงฟังรำทําไมจะมาฟังที่นี่ฟังที่บ้านก็มีเราจะมาต้นดันมาอยู่ในป่าทําไมทานเมื่อเดียวหรือมาฟังเพลงอยู่ในวัดวัดต้องการความสงบต้องการความเป็นศีลเป็นธรรมเพราะนั้นองค์ไหนก็ตามนะใครก็ตามน ะ, เ, ะเปิดฟัง เพลงฟังลัมขึ้นมาในวัดนะนะขนาดศีลแปดเขาก็ยังไม่ฟังกันนัจคีตวาทิตวิสูกทัธนะมาลาฟังหน่อยสิแปลว่ายังไงไม่เห็นฟังเพลงฟังลำร้องลำมทำเพลงไม่ใช่เหร อ, อแล้วทำไมเป็นพระเราจะมาทามาทำตัวเพียงแค่นั้นเหรอไม่ได้ เราเปิดให้ฟังเทศเราซื้อมาให้ฟังเทศพวกฐานมันหมดถ้ามีความจมเป็นก็สั่งมาใช้ได้สั่งมาให้ใช้สำหรับฟังเทศทำธรรมเทศนากลางคืนมาองหลวงตาท่านแสดงธรรมผมเองสมัยเข้าไปศึกษาองค์หลวงตานี่แลหละหลวงตาเทศอย่างทุกวันนี่แหละ อันนี้สมัยก่อนเราหาเทปหาเครื่องเสียงฟังในยากแต่นี้เรามีสถานในวิทยุในวัดของเราอำนวยความสะดวกอย่างมากเราเปิดฟังเลยฟังวันละหนึ่งกันฟังเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิฟังอย่าไป น, นอนฟังพอนั่งสมาธิฟังจบกันหนึ่งเราก็นั่งต่อไปอีกดูใจของตนเองให้เป็นสมาธิ ฝึกขัดทุกวี่ทุกวันอันนี้เพื่อการมาศึกษาในเมื่อจิตใจของเราได้รับความสงบนั่นแหละท่นเเราจึงจะรู้คุณค่าว่าการบวชในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีคุณค่าจริงไม่ได้บวชมาเพื่อรอรอะไรแหละไม่ได้มาบวชเพื่อหวังอยู่หวังกินเฉยๆรอชาวบ้านกันเป็นวันๆเดือนๆปีๆไป เราจะรู้ได้แต่ถ้าจิตใจของเรายังไม่สงบนั่นน่ะมันออกจิตปฐะร้อยแปดออกไปรู้ว่าทางไหนตอทางไหนเพราะนั้นขอบอกกล่าวให้กับพวกพระทุกทุกท่านนะเข้ามาศึกษาในวัดของผมนะให้ตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนานะผมไม่ต้องการพระอย่างอื่นพระคุยกันผมก็ไม่ต้องการพระชอบม้ชอบคุยผมก็ไม่ต้องการ พระทะเลาะวิวาทผมก็ไม่ต้องการผมต้องการพระที่สนใจใยธรรมะสนใจภาวนาอยู่ในความสงบต้งตั้งใจอย่าไปคุยกันถ้าไม่จําเป็นถ้ามันจําเป็นก็เอื้อเป็นบางครั้งบางการพอออกจากกันแล้วก็รีบออกไปหาภาวนาหามุมสงบเดินย่ากลมแล้วก็นั่งภาวนา อันนั้นนะผมต้องการอย่างนั้นพระในวัดของผมของเรานะอันนี้ให้ดูจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ว่าจุดประสงค์ของผมรับผ้านเนร์รับมาเพื่ออะไรผมอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนมาเพื่อการศึกษาจากนั้นปฏิบัติต่อไปเป็นทายาทเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาเป็นทายาทของครูบาอาจารย์พระธุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น แต่ถ้าว่าพวกท่านมาแล้วรอรอเลยแหละทำตัวไม่ดีดูถูกเกลียดหยามอีกต่างหากไม่เคารพนับถือหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์อีกต่างหากอันนั้นมาทําลายไม่ใช่มาเพื่อการศึกษามาอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียหายเพราะมาด้วยความไม่ตั้งใจมาด้วยความไม่เชื่อไม่เคารพไม่นับถือไม่เลื่อมใสมาอยู่ไปเท่าไหร่กั น, นะอยู่เป็นทศวรรษว่าอยู่เฉย อย่างนั้นแปลว่าผมไม่ต้องการหมู่พวกเพื่อนอย่างนั้นให้พวกท่านทั้งหลายเข้าใจที่ผมพูดเนยบางทีผมพูดจริงจังนะจริงใจนะอแต่ผมทําไม่พูดก็ไม่พูดถ้าว่าพูดนยผมพูดจริงจังจริงใจพอผมได้ศึกษามาอย่างนั้นจริงๆศึกษามาจากวงหลวงตาฟังดูสิเสียงเทศของท่านนะเพราะนั้นผม จะไม่มีแนวแถวของครูบาอาจารย์อยู่ในผมเสลยนะได้เหรอเพราะนั้นบางครั้งได้ศึกษามาจางไงผมก็ต้องแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวหมู่พวกเพื่อนได้ยินได้ฟังมาจังไงเกิดประโยชน์ยังไงเกิดโทษยังไงผมก็ถ่ายทอดให้กับหมู่พวกเพื่อนได้ฟังไม่ใช่ไปอยู่เป็นวันวันหล่อๆไรแหละไปเรื่อยๆไม่ได้นะ ถึงยังไงถึงเขาใช้ก็ใช้การงานถึงเขาภาวนาก็ภาวนาผมไม่ได้ถือว่าการงานอย่างอื่นเป็นสารนังขจามินะถ้ากว่าการงานหรูหราโอ้อาขนาดไหนก็เถอะแต่พระเนนไม่อยู่ในล่องในลอยขาดศีลขาดธรรมไม่มีศีลมีธรรมถึงจะหรูหราโอ้อาก็เหมือนกับผมเคยพูดมาแล้วเหมือนกับสร้างหีบศพให้คนอยู่นั่นแหะ ถึงจะปิดทองเหลืองอลามสวยงามขนาดไหนก็เถิดแต่ข้างในมันมีผีเน่าอยู่ทั้งนั้นนะมันเกิดประโยชน์อะไรอมีแต่ว่ากันไม่ให้เหม็นเนท่านั้นเองนี้ก็เหมือนกันนะอวัดวาศาสนาถึงจะหลูหราโออาแต่พระเนนไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมไร้ศีลธรรมไม่อยู่ในคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีอวัดวาศาสนาก็านา่ะหลูหราโออา สวยงามแต่ภายนอกแต่ภายในฟัดของเรามีแต่หมัดมีแต่มวยมีแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ตั้งอกตั้งใจภาวนาไม่ทั้งอกตั้งใจปฏิบัติพวกท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีก็แล้วกันที่ผมพูดนี่นะมันเจิงหมายให้ตรวจตราดูของพวกเราทุกๆองของด้วยให้ดูพวกเราทุกกองด้วยให้มองตนเอง ผมก็ผมมองตัวเองนะผมจึงพูดอนะ่ะพวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกันให้มองตัวเองให้ทั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติการที่จะได้เขามาบวชในพุทธศาสนาไม่เป็นของหาได้ยากพวกศรัทธา ญ, ญาติโยมก็เหมือนกันที่พูดทางนี้เท่านั้นไม่ใช่แต่เรื่องของพระนะญาติโยมก็เหมือนกันนะั่นแหละพอมันตายไม่ใช่ตายแต่พระญาติโยมกับตายเป็นเหมือนกันตกนรกตายเหมือนกัน ว่าด้านพวกเรายินดีจะมาอยู่ในโลกวัตะสงสารเหรอทําไมไม่ศึกษาไม่ดูศึกษาเพื่อการศึกษาทํำยังไงจรึงจะพ้นทุกในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนเอาไว้ถ้าพวกเราปฏิบัติจริงเราจะรู้จริงถ้าเราปฏิบัติเหลอกๆแหล ะ, ล ะ, ล ะ, ละมันก็ไม่ ผลที่ออกมากันนะั้นไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเผลอๆไม่เชื่ออีกต่างหากเผลอๆประมาทอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะว่าพวกเราไปเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับเขาแนะนําบอกว่านี้นะตรงนั้นนะบริเวณนั้นนะเหมือนมีแร่ทองคํานะ ขุดเลยได้เลยแต่ตัวเองเอามือควยหลังไม่เชื่ออีกต่างหากเดินไปเดินมาผลในสุดจะดูถูกคนอื่นอีกต่างหากแต่เขาผู้ขุดตั้งใจขุดเขาได้ได้ทองเพราะมันมีทองแหล่งทองอยู่ที่นั่นนี้ก็เหมือนกันท่าหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติปฏิบัติจริงจังและจริงใจเขาก็จะได้รู้แจง้งเห็นจริงในธรรม ถ้าว่าไม่ปฏิบัติก็อย่างว่านะจะได้อะไรามาเดินถูกไม่เชื่ออีกต่างหากาดูถูกคนอื่นอีกต่างหากนู่นเมื่อเขาได้อัจได้ทำนะั่น่ะตัวเองจึงประเตอ๋อประเต๋เนยะเพราะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะหมู่พวกเราทุกๆุกองนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมไม่ได้มีความมุ่ง หวังมุ่งมั่นอย่างอื่นมีแต่อยากจะให้หมู่พกเพื่อนเป็นพระที่ดีแล้วก็อยู่ในศีลธรรมให้ตั้งใจภาวนาในสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ภาวนาแต่อยู่ทางหลังวัดกันเนี้ยอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็คงจะมีการทำการทางานแต่ยังไงก็ให้ช่วยๆกันไปดูจุดนั้นบ้างแบ่งกันไปดูนะใครจะเป็นคนไปดู ดูกับเขาให้แบ่งกันดูดูผู้ที่จะไปดูการงานถ้ามีปัญหาอะไรผมเป็นหัวหน้าบอกมาผมฟังอยู่แล้วคอยฟังหมูพกเพื่อนอยู่จุดนั้นแต่เมื่อให้ทำหมูหมูหมพกเพื่อนให้ทําก็ต้องทําเมื่อเขาวหยุดก็หยุดมันไม่ใช่อยู่นานหรอกเขาทําเพียงประเดี๋ยวประดาวทําเสร็จแล้วก็เกิดประโยชน์ ต่อวัดวาศาสานาในจุดนั้นแต่ทําไม่รู้จักจุดนั้นผมไม่เห็นด้วยเหมือนกันถ้าทําแล้วก็หยืดให้ทำหยุดจุดให้ทำํำเมื่อทําเสร็จแล้วก็คือจบแต่มีปัญหาอะไร น, นั่นบอกมาผมจูเปื้องหลังอยู่แล้วคอยฟังหมู่คณะอยู่แล้วสอนหมู่พวกเพื่อนเพื่ออะไร ให้รู้จักทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมใช้สติใช้ปัญญาผมไม่แหยไปหน้าเดียวนะสรุปแล้วก็คือให้รอบครอบให้รอบคอบสอนวิชาความรู้ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วจะทำยังไงการบริหารจัดการจะทำยังไงการดูกับผู้คนไปยังไงนี่แหละผมก็พา เดินมาหลายๆแนวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ได้รู้แต่ถึงยังไงก็อยู่ในหลักพระธรรมวินายอยู่ในหลักศีลหลักธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินายอย่าเดินออกนอกลู่นอกทางถ้าเดินออกนอกลู่นอกทางนั้นเป็นพระที่ไม่มีฮิลิโอตปะไม่น่าเคารพนับถือเลื่อมใสถ้าออกนอกลู่นอกทางเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ ตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติแล้วันนี้ผมเองก็ไม่ได้ออกไปธุระแล้วันพรุ่งนี้ขออกคงจะออกเดินทางไปกิจนิมณฑ์อีกเพราะนั้นวันนี้ให้เปิดเ p 3ของหลวงพ่อให้ฟังสักกันนะเอาหลวงพ่อฟังแต่เพอเทศของหลวงตาเราฟังอยู่แล้วทุกคืนถ้าใครอยากจะฟังก็ฟังได้ แต่เทปของหรงพ่องคงจะไม่มีเครื่องฟังนะลองลองเปิดได้นะเอานั่งสมาธินะทนีเนอร์นั่งสมาธิฟังนะได้เวลายงค่อยบอกให้หมู่พวกเพื่อนเลิกลากัน